ใครจะบอกได้ว่าถ้าชายยันไม่ผลักชั้นออกไปสักก่อนอะไรมันจะเกิดขึ้นลักษณะหน้าตามันน่าจะมีพิษร้ายทีเดียวทีแรกมันอยู่ที่ไหนเชิถาถามเร็วปือสหายของเขาเป่าลมออกจากปากสีหน้ายังไม่คลายความตกใจต้องจับอยู่ที่กิ้งกาดงตัวนั้นไม่กระพริบ รู้สึกว่าจะอยู่บนต้นไม้ที่เมยืนพิงต้นนี้แหละฉันเหงยขึ้นโดยบังเอิญเห็นมันกำลังค่อยๆคลานลงมาตาจ้องแป๋วอยู่ที่เมห่างประมาณสักสองวาย์เห็นจะได้พอเห็นฉันก็พุ่งเข้าชนเมหล่นลงมาด้วยกันพอดีมันก็พวดลงมาถึงตรงนั้นน้อยไวเหลือเกินถ้ายิงไม่ทันยังไม่รู้เลยว่ามันจะกระโจนลงมาใส่เราหรือไม่ลักษณะมันดุร้ายมาก ฉันเห็นมันแว บ, บเดียวเท่านั้นก่อนหน้าที่น้อยจะยิงไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยเห็นอยู่ไม่อยู่แกก็กระชากเมยหัวปักถลาลงมาด้วยกันเชษถาว่าหน้าเยเกเต็มไปด้วยความหวาดเสียว กิ้งก่าอะไรกันนี่ทำไมมันถึงใหญ่โตมาโหฬารหน้าตาพิลึกอย่างนี้มันต้องมีพิษร้ายแน่ไม่งั้นคงไม่พุ่งเข้าใส่เมหรอกทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้กาอกวนทำอะไรมันก่อนไม่ทันเห็นสะได้ทราว่ามันเกาะอยู่บนต้นไม้ต้นนี้ต้องระวังตัวกันทุกฝีก้าวนะอย่าเพ้อเป็นอันขาดอันตรายมันแวดล้อมเรารอบด้านทีเดียวแล้วก็มาแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลย เสียงพวกลูกหาบที่ไต่เนินตามขึ้นมาเบื้องหลังกู่ตะโกนถามหาวุเวกอย่างตกใจเพราะได้ยินเสียงปืนแล้วก็พากันจ้ำอ้าวเร่งฝีเท้าขึ้นมาทันพอมองเห็นซากของกิ้งก่าน้ําที่นอนตายอยู่และทราบเรื่องราวก็พากันคลางอู้ออกมาไอ้นี่พิษเท่างูเห่าในแม่มส่างปากระหืดกระหอบบอกมาเรียถ้าในแม่มถูกมันกัดเป็นเสร็จแน่สาวผมทองคืนน้ําลายลงคออันแห้งผากหันมาแปลให้คณะของเชิฐาทราบว่าเจ้าตองสู่ของหล่อนบอกอะไร บุญคำใจหายหมดตอนได้ยินเสียงปืนผานเท่าหันมาบอกเชิดาและชายยันนึกแล้วว่ามันจะต้องเกิดเรื่องร้ายแต่ใจชื้นที่ได้ยินแค่นัดเดียวชวนกันวิ่งตาเหลือกมานี่แหละทีแรกกะว่าจะทิ้งของก่อนแต่มันใกล้แค่นี้เองผานใหญ่ไปเซนไนเลา ะ, ละนายคำพูดของบุญคำดันให้ทุกคนเพิ่งจะนึกถึงรับผิ์ขึ้นมาได้ผานใหญ่เดินล่วงหน้าไปก่อนเรานานแล้วพวกเรามานั่งพักกันอยู่ที่นี่เพื่อรอพวกของบุญคำนั่นแหละพอดีเกิดเรื่องขึ้น ใจยันต่อเเริ่มร้อนใจซึ่งก็เป็นอาการเดียวกับทุกคนพวกเรายิงปืนเอะอะวอยวายกันอยู่ทางนี้ทำไมภายวันถึงยังเงียบกลิบฉันไม่คิดว่าเขาจะอยู่ห่างเราออกไปไกลจนไม่ได้ยินเสียงปืนหรอกมาเรียกล่าวโดยเร็วหันไปมองยังตากทางนั่นสิค้าพี่ใหญ่ดาวินกระซิบ พ, พี่ชายเบาๆแววตาเต็มไปด้วยความกังวล อย่างน้อยที่สุดรับพินควรจะให้เสียงหรือแสดงอาการอย่างหนึ่งอย่างใดมาถึงเราบ้างนี่เงียบฉี่เลยเชิดถาใจเย็นและหนักแน่นกว่าทุกคนดูเหมือนเขาจะเป็นคนเดียวที่เข้าใจรับพินภัยวันได้ดีที่สุดเหนือกว่าทุกคนในคณะรับพินได้ยินเสียงปืนจากเราแน่แต่ก็ลั่นเพียงนัดเดียวเขาคงไม่อ่านไปว่าเกิดเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นกับเราคงคิดว่ายิงสัตว์เป็นอาหารหรือไม่ก็ยิงเรี่องต่านนี้เขาอาจหยุดรอเราข้างหน้าแล้วก็ได้เอาละรีบไปกันเถอะ ทั้งหมดเคลื่อนหน้าต่อปากอบอ้าวทวีขึ้นทุกขณะในสำนึกของทุกคนเริ่มห่วงกังวลถึงเรื่องน้ำเพราะบัดนี้มันล่อยหลอลงไปทุกทีผานใหญ่คำนวณไว้ถูกต้องแล้วถ้าไม่สามารถจะค้นพบแหล่งน้ำได้ก่อนตะวันตกดินวันนี้สถานการณ์มันจะเลวร้ายสุดขีด ทางเดินเริ่มลาดต่ำลงและต่ำลงทุกขณะมันหมายถึงว่าเริ่มบ่ายหน้าลงเขาแล้วโดยด่านช้างเก่าแก่ที่ต่างยึดเป็นแนวทางนั้นผานใหญ่ก็ทิ้งร่องรอยไวใ้ให้เห็นทุกระยะอย่างเด่นชัดถ้าไม่ใช่รอยเท้าของเขาก็รอยลิฟกิ่งไม้ดิงทาง คันแล้วไม่เกินสิบนาทีนั่นเองขณะที่ทางเริ่มจะทอดเลี้ยวไปในระหว่างเชิงนอนสองด้ามก็มีรอยหักไม้ทำเป็นรูปสอนชี้บอกทางให้แยกเข้าดงโรคฝากขวามือเป็นป่าต่ำลึกลงไปกว่าระดับเดิมคล้ายหุบเหวสัญญาณบอกทางรับพินทำไว้ชัดมากพอวางไว้บนหินตอนหนึ่งซึ่งทุกคนจะต้องเดินผ่านเอ๊ะ แยกลงทางนี้แฮชัยยันพึมพำเอาแขนกวาดเหนือบนหน้าผาเราวกับพรมไว้ด้วยน้ำพลางสอดสายตาค้นหาไปรอบรอบ คงจะได้ร่องรอยอะไรกระมังระหว่างที่ชายยันกับเชิดถายืนงงพยายามจะหาทิศทางที่แน่นอนมาเรียบผู้ชำนาญในการแกะรอยมากกว่าก็ดีดนิ้วเป็นสัญญาณแล้วออกตัดทางนาไปเบื้องหน้าอย่างคล่องแคล่วเชิดถาตบไหล่เพื่อนกับน้องสาวให้ติดตามไปตนเองยืนล้าหลังคอยโบกมือเป็นสัญญาณเปลี่ยนทิศกับกระบวนของลูกหาที่เพิ่งจะโผล่แนวป่าออกมาให้เห็นจากนั้นก็เร่งขีเท้าตามไปโดยเร็ว แล้วเขาก็เห็นสามคนที่ล่วงหน้าไปก่อนกําลังยืนมุงอยู่ในระหว่างพุ่มทึบตอนหนึ่งพื้นเปียกชุ่มแสดงว่าเป็นบริเวณน้ําพุหรือตาน้ําเมื่อเดินตามใกล้เข้ามาถึงพื้นอันเป็นแอ่งกว้างประมาณสองตารางวาลักษณะก้นกระทะมีน้ําสีดําคล้ําขังอยู่ตื้นๆสีสันของมันแม้สามัญวินิจฉัยก็บอกได้ว่าเป็นสีแห่งมรุตยูทําไมพบแหล่งน้ําหรอหัวหน้าคณะร้องถามขณะที่สาวเท้าเข้าไปฉัยยันเบ้ป่าก น้ำหนักไม่น่าสนใจหรอกเพราะเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันกินไม่ได้ที่น่าสนใจกว่าคือไอ้นี่พลางก็หลีกทางที่ยืนบังอยู่แล้วบุ้ยปากให้สหายของเขาดูตรงตำแหน่งที่มาเรียกับดารินจ้องเขม่งอยู่พอมองเห็นถนดัดเช่ฐาก็รู้สึกเย็นบุก รอยเท้าของรบพินปรากฏชัดเจนเดินย่ำผ่านไปตามขอบพื้นแฉกนั้นอย่างไม่สนใจนั่นไม่สำคัญหรือเป็นสิ่งชวนพิศวงอะไรนะักเพราะต่างรู้แน่อยู่แล้วว่าพานใหญ่ล่วงหน้าไปก่อนแต่ที่ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกในขณะนี้ก็คือรอยเท้าอีกชนิดหนึ่งที่ย่ำทับซ้อนลงไปบนรอยเท้าของจอมพานเฉพาะอุ้งและนิ้วที่ปรากฏอยู่สนิ้วขนาดเท่าชามเปหรือกระมังย่อมย่อมและนั่นคือรอยเสือ บุญคำกับพวกลูกหาบทั้งหลายก็ตามมาทันอย่างน้อยๆก็ขนาดม้าทีเดียวนายเสียงตะพานเท่ากระซิบตาเปิดโพงเสียงแหบไม่ผ่านลำคอออกมาทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนี้ใครอีกคนหนึ่งในคณะนายจ้างคลางออกมาอย่างปราสจากความรู้สึกมารีฮอฟมันลดปืนลงจาก คอนพาดบาค่อยๆขยับลูกเลื่อนสำรวจดู ก, กระสุนในลังเพิงเหมือนจะให้แน่ใจที่สุดแล้วบิดลงอีกมือหนึ่งที่เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเช็ดกับก้นกางเกงพางจับกระโจมมือของไรเฟิลประจำตัวไว้ตาสีเขียวกวาดไปรอ บ, รอบๆส่วนดาลินไหลสันน้อยๆทุกคนเงียบเกิบหูตาเปิดพร้อมพยายามจับสำเนียงใดๆที่จะเกิดขึ้นถ้าว่ามันก็คงเงียบสงบอยู่เช่นนั้น นี่มันรอยใหม่ที่สุดหยกๆยกนี่เองแล้วพินล่วงหน้าไปก่อนมันย่องตามหลังหัวหน้าคณะขยับเปลิ่นฝีป่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าเชษฐาตัดสินใจในพริบตานั้นทำใบเป็นสัญญาณให้พวกผ่านพื้นเมืองทั้ ง, งหบสงบนิ่งอยู่กับที่โดยไม่ให้เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นตัวเขาเองชัยยันมาเรียและดารินก็ออกย่องกลิบสาวรอยน่าเป็นแผ่วเบา รอยเสือใหญ่ผิดปกติตัวนั้นบางขณะก็ย่ำทับไปบนรอยเท้าของระพินบางขณะก็แยกเสียงเข้ากรกมีรอยหมอบซุ่มตัวอยู่หลังพุ่มไม้ เชตหาส่งสัญญาณกับมาเรียให้เลือกตามเฉพาะรอยพานใหญ่ไปโดยไม่ให้มุ่งอยู่กับรอยเสือทั้งสี่คนแบ่งออกเป็นสองคู่ดารวินย่องอยู่ตามหลังพี่ชายส่วนชายยันไปกับมาเรียรัศมีพอจะมองเห็นกันในระยะไม่เกิน30หล้าส่วนพวกลูกหากพากันนั่งยองๆรออยู่ยังแอ่งน้ำดำแห่งนั้น คันแล้วเหมือนถูกผีหลอกท่ามกลางความเงียบมีเสียงกู่เบาๆขึ้นครั้งหนึ่งกลางหมู่ไม้ทึบในป่าถลมเบื้องหน้าทำให้ทุกคนต้องสะดุง้งกระพินชายันอุทานออกมามาเรียเอานิ้วยัดเข้าไปในปากเป่าเบี้ยวเบาๆเป็นสัญญาณตามแบบที่หลอมถนัด คู่เดียวต่างก็ได้ยินเสียงผิวปากตอบมาสวรรค์ทรงโปรดนั่นคือมิสเตอร์ฮันเตอร์ของเราเขายังอยู่เรียบร้อยดีแหมสาวถอนหายใจยาวร้องออกมาไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทั้งสี่คนก็พบกระพินภัยวันนั่งสูบุรีกลางหมู่ของโขดหินในบริเวณผูอีกแห่งหนึ่งใหญ่กว่าขนาดที่พบในตอนแรกเล็กน้อยเบื้องหลังปกคลุมทึบไปด้วยกิ่งไม้จนแทบมองไม่เห็น ในตะ ว, วันตอนเที่ยงอากาศค้นหนักเต็ิดกลิ่นไออับของใบไม้เน่าที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ดูเขาไม่มีอาการแปลกใจหรือมีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิน้นโดยการที่เห็นคนทั้งสี่ย่องตามเข้ามาในลักษณะผิดสังเกตกับถามเรียบๆว่าเมื่อพักใหญ่นี่ยิงอะไรกันหรือครับ ได้ยินเหรอดาวรินร้องเสียงสูงจ้องหน้าเขาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกจอมพานเหลือบตาขึ้นมองนิดหนึ่งยกบุหรี่ในมือขึ้นอัดควันทำไมจะไม่ได้ยินระยะใกล้แค่นี้เองแล้วคุณมัวนั่งทำอะไรอยู่ที่นี่ทำไมไม่ย้อนกลับไปที่พวกเราหรือว่าไม่อารทเลยที่เสียงปืนดังขึ้นทั้งพวกเราผมไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงอะไรขึ้นเสียงปืนลั่นนัดเดียวท้าไม่ยิงสัตว์เป็นอาหารก็ยิงเรียกผมย้อนกลับไปทำไมให้เสียเวลาผมก็รออยู่ที่นี่แล้ว เขาตอบซึ่งมันก็ตรงกับที่เชิดาเข้าใจอย่างไรก็ตามทั้งสี่คนก็ถอนหายใจออกมาโล่งอกเมื่อเห็นพานใหญ่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเรียบร้อยดีชา ย, ยานหันไปต้องปากปกู่เรียกพวกลูกค้าให้เคลื่อนเข้ามาสมทบเชิฐาทอดสายตาไปรอบๆแล้วเปลี่ยนมาจ้องจับอยู่ที่หน้าพานใหญ่พวกเราใจหายหมดตอนที่เดินตามหลังคุณมานึกว่าจะไม่ได้เห็นคุณอีกแล้วโล่งอกไปทีที่เห็นคุณนั่งสูบุรี่เป็นปกติเรียบร้อยดีอยู่ที่นี่ทำไมหรืครับ มีรอยเสือใหญ่เดินย่องทับรอยเท้าคุณมาตั้งแต่แอ่งน้ําพุโน่นแล้วทุกคนก็พากันแปลกใจยิ่งเมื่อพระพินตอบเรียบๆว่าไม่ใช่เริ่มตั้งแต่แอ่งน้ําพุนั่นหรอครับมันย่องตามผมมาตั้งแต่ยังอยู่บนดานใหญ่แล้วแต่ว่าคุณก็รู้ตัวอดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องออกมาเบาๆเปิกตาดูเขาถ้าไม่รู้พวกคุณก็คงไม่มีวันตามผมได้พบอีกแล้วตอนที่พวกคุณย่องใกล้เข้ามาผมก็รู้สึกตัวแล้วเพราะรออยู่ได้ถึงได้ยินเสียงออกไป แปลกจริงก็พวกเราเห็นมันย่องทับรอยเท้าคุณอยู่ยกๆกระยะมันไม่ห่างจากที่คุณนั่งตรงนี้เลยสักเท่าไหร่มาเรียพูดหน้าตื่นเต็มไปด้วยความสงสัยพรานใหญ่ยิ้มเล็กน้อยมันก็ย่องตามผมมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่ชายเนินบนด่านใหญ่นั่นแหละกําลังติดพันคุมเชิงกันอยู่ทีเดียวพอดีเสียงปืนทางพวกขุดดังมาซะก่อนมันก็เลยหลบไปถ้าไม่ใช่เพราะเสียงปืนระหว่างมันกับผมก็คงเสร็จกันไปข้างนึงพอมันหลบไปแล้วผมก็เลยนั่งคอยอยู่ตรงนี้ฟังฟังอยู่เหมือนกัน ว่าจะมีเสียงปืนขึ้นอีกหรือไม่ก็เห็นนักเดียวเงียบก็เลยไม่ห่วงอะไรนะแล้วจอมพนก็สายหน้าช้าๆหัวเราะ ก, กับเช่ดท้าแผ่วเบา แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองครับผมกำลังรอให้เห็นสีข้างมันถนัดเพราะมันหมอบอยู่ในพุ่มไม้หลังโขดหินโน้นพอปืนทางโน้นลั่นตูมมันก็แผ่นแผลไม่งั้นอยู่แล้วทุกคนคลางออกมาอย่างเสียดายแล้วแช่ถาก็ให้เขาทราบว่าได้เกิดอะไรกับคณะจนเป็นเหตุให้ต้องระเบิดกระสุนขึ้นแล้วผินตกใจเล็กน้อยเคราะดีเหลือเกินเขาผึ่มพำมมองไปทางมาเรียผู้เกือบจะได้รับอันตราย ตลอดระยะทางผมก็สังเกตมาอย่างที่้วนสุดแต่ไม่ยักมองเห็นมันต้องระวังทุกฝีก้าวเลยครับอันตรายมันมีอยู่ทุกขณะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพวกมแมลงสัตว์เลื้อยคานหรือแม้แต่ใบไม้บางชนิดในป่าแถบนี้ล้วนมีพิษสงทั้งสิ้น แล้วเขาก็เอาลำกล้องไลเฟอร์ชี้ไปยังพันไม้เตี้ยๆชนิดหนึ่งซึ่งขึ้นเป็นดงอยู่ปะปลายรอบๆแอ่งน้ำดูนั่นจำลักษณะใบและต้นของมันไว้ให้ดีนะครับอย่าให้ถูกผิวเป็นอันขาดทั้งแสบทั้งร้อนและคันเห็นมันขึ้นอยู่ที่ไหนก็ต้องหลีกทางเลี่ยงไปคณะไหนจ้างหันไปมองเป็นตาเดียวต้นอะไรดารินถามอย่างว่ารีบถอยออกมาทันทีเพราะหล่อนยืนอยู่ใกล้วัชพืชใบที่เป็นขนนั้นมากกว่าคนอื่น ตำยาดงบางทีเขาก็เรียกรังตังช้างยิ่งกว่าตำยาบ้านสักสิตเท่านังมนุษยวิทยาอุทานอะไรคำหนึ่งออกมาในลำคอห่อตัวลงด้วยความขนพองแล้วพินมองไปที่เชิ ฐ, ฐานกับชัยยันเห็นรอยของมันแล้วไม่ใช่หรือครับใหญ่มากผู้กองใหญ่กว่าไอ้กุดสักสามเท่าขนาดเกือบเท่าลูกช้างทีเดียวคุณละ่ะเห็นตัวมันถนัดไหม ชา ย, ยันเป็นคนตอบเลมฝีปากแห้งเตรียมคู่นั้นสยายออกไปจนเห็นไรฟันก็เกือบได้ยิงอยู่แล้วนั่นแหละครับคุณชา ย, ยันเขาเว้นระยะนิดนึงกวาดสายตาไปยังใบหน้าของทุกคนที่แวดล้อมอยู่แล้วกระดกลิ้นออกมาเรียริมฝีปากเรียกบุญคำเข้ามาขอน้ำดื่มนิดหนึ่งจากกระบอกพร้อมกับถอนใจยาวกล่าวต่อมาชนิดที่ทาให้ทุกคนเย็นจากเส้นผมไปถึงปลายเท้าว่าสันหลังสูงขนาดอบผมครับ ยังไม่นับหางเฉพาะลำตัวกะว่าสองวาเต็มๆหัวเท่ากระบุงและที่แปลกประหลาดที่สุดในชีวิตพันของผมไม่เคยเห็นมาก็คือมันดำไปหมดทั้งตัวแบบเสือดำแต่ลูกล่างเป็นไอ้โครงไอ้โครงดำเช้ฐานและชัยยันร้องออกมาพร้อมกันครับ จอมภารยักหน้าลงอย่างสงบเอานิ้วจับสันจมูกขยี้เบาๆอย่างตึงสมองมันดำมากทีเดียวมีลายให้เห็นอยู่บ้างเหมือนการเป็นริ้วจางๆเท่านั้นสีดำเป็นพื้นกายเป็นลายส่วนใหญ่ไว้หมด พร อ, อเขาพูดภาษาไทยกับคณะนายจ้างโดยเฉพาะมาเรียจึงไม่เข้าใจหันไปกระซิบถามดารินพอเพื่อนต่างผิวแปลให้ฟังหลันก็หันขวับมาทางพานใหญ่และทุกคนที่ยืนอึ้งกันอยู่ตาทั้งคู่แสดงอาการตื่นแล้วก็ส่งภาษาไปยังสางตาโต้อตอบอะไรกันอยู่เร็วห ร, รืออยู่ครู่หนึ่งเคยมีรายงานข่าวเกี่ยวกับเสือใหญ่มากและเป็นสีดําทั้งตัวให้ฉันได้ยินเหมือนกันสมัยที่สำรวจอยู่ในตอนเหนือฝั่งซ้ายของรุ่มน้ําสารวิน หลอนกล่าวเป็นภาษาอังกฤษเร็วปือกับทุกคนในหัวหน้ากลุ่มสังปาเองก็เคยว่าได้ยินได้ฟังมาแต่มันไม่เคยเห็นครั้งหนึ่งขณะที่พักแรมอยู่ในปากก่าใกล้ๆหมู่บ้านพวกต่องสู่ในจอหลงมีพวกประดองมาตามชันกับแตเกลบอกว่าเสือโคร่งดําล่ากเอาพวกตัดไม้ไปกินเราออกตามพบแต่ศพที่มันกินหมดไปครึ่งตัวภายในเวลาไม่เกินครึ่งชงั่วโมงนับตั้งแต่มันเข้าตะปกุก รอยเท้าวัดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6กมิยังเล็กกว่าตัวนี้มากเราการกันกอยู่เกือบอาทิตย์เต็มๆทั้งเฝ้าซากและก่ออกรอยก็ไม่มีโอกาสได้เห็นตัวมันเลยพวกที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ขณะที่เสือตัวนั้นเข้ามาประกบคนมีอยู่3คนทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าเป็นเสือใหญ่สีดําไม่ใช่พวกแพนเทอร์หรือว่าเล็บปาดพวกนั้นตกใจกันมากบอกว่าในชีวิตไม่เคยเห็นมาก่อนสไตเกลกับฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อนักในขณะนั้นว่ามันจะมีสีดําจริง นอกจากคิดว่าเป็นเสือโคร่งธรรมดาขนาดใหญ่ที่พวกนั้นพากันตาฝาดตาแต่มันมาตรงกับที่ไัยวันเห็นกับตาเมื่อคู่นี้เสือแมลงผู้นาะยพ่อบุญคำเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันมันต้องเป็นเสือแมลงผู้แน่ๆ แต่เท่าบุญคําสอดขึ้นด้วยเสียงกระหึกกระหอบเป็นยังไงเสือแมลงผู้ชายยังถามนั่นแหละนายอย่างที่พรานใหญ่เห็นนั่นแหละเสือโคร่งสีดําเขาเรียกเสือแมลงผู้มันร้ายกว่าเสือสมิงสักร้อยตัวขนาดเสือสมิงกินคนมาแล้ว2 0่สถึงสาคนก็ยังไม่กล้า ย, ยุ่งกับพรานใหญ่และพินมีแต่จะเปิดหน้าหนีไม่ยอมพบแต่ไอ้นี่มันจะขบขมองนายของบุญคําให้ได้คิดดูเถอะ คำพูดของบุญคำตามปกติแล้วคณะนายจ้างไม่สู้จะสนใจนะักนอกจากเห็นเป็นเรื่องขบขันแต่ในครั้งนี้ต่างนิ่งเงียบราวกับนัดกันไว้ในที่สุดหัวหน้าคณะก็หัวเราะออกมาเบาๆแล้วบุญคำไม่คิดบ้างหรอกหรือว่าไม่ว่ามันจะร้ายกาศสักแค่ไหนมันนั่นแหละจะเป็นฝ่ายเคาะร้ายที่บางอาจมายุ่งกับพานใหญ่เข้าชะตาของมันยังดีอยู่ที่เสียงปืนทางด้านเราไล่มันไปสัก่อนที่พานใหญ่จะทันลั่นไกล ตาผ่านเท่ายิ้มแห้งๆตอบเสียงอ่อยในลําคอถึงว่าสินายใหญ่ไม่งั้นเราคงได้ลองกินเนื้อเสือมแมลงผู้กันบ้างแล้วบุญคำไม่เคยคิดว่าสัตว์ป่าชนิดไหนมันจะทำอะไรนายของบุญคำได้นอกจากสัตว์เมืองความจริงตาเท่าพูด ด้ว ย, ปยเปื่อยเฉยแฉะไปตามภาษาคนคล้องปากอย่างแกโดยปราศจากความหมายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เกือบสะดุ้งหยงเพราะแล้ไปพบกับในตาอันคมปาบของใครคนหนึ่งจ้องมาแล้วริมฝีปากคู่นั้นก็ปรากฏรอยยิ้มน้อยสอดมาแผวบา ว, ว่าจริงสินะบุญคำฉันก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันเจ้าของดวงตาอันเป็นเจ้าของเดียวกับประโยคคือดารินวราฤทธ แม้จะอยู่ในภาวะเคร่งเครียดสักเพียงใดระพินภัยวันก็สัมเลกได้กับห่างเสียงอันเจอไปด้วยความหมายชนิดนั้นสมเจตตาาของเจ้าของคําพูดซึ่งคนอื่นๆฟังผ่านไปเสียเพราะเข้าไม่ถึงรหัสผ่านใหญ่เหลือตาขึ้นอย่างไม่ตั้งใจศบกันเพียงแวบเดียวเท่านั้นเขาก็เป็นฝ่ายเมินหลบไปเสียอย่างสงบคนอื่นๆยังโพวงสนใจอ ย, อยู่กับเสือใหญ่ลักษณะประหลาดตัวนั้นตามที่ได้รับการบอกเล่าจากจอมพานตามที่คุณเห็นแน่ใจหรือว่ามันเป็นสัตว์ประเทศเสือ ชัยยันกังขาถ้าไม่ใช่เสือจะเรียกมันว่าแมวดำขนาดยักษ์ก็ได้ครับข่าวที่เม่ได้รับมากับรับพินพบเห็นมันสอดคล้องกันเช่ถาว่าคุณไม่เคยได้รับรายงานข่าวมาก่อนหรือเกี่ยวกับเสือโคร่งดำ เคยมีพวกพานยักษ์ไข่แล้วก็หนานพลายเล่าให้ผมฟังอยู่บ้างเหมือนกันทั้งสองคนนั่นยืนยันว่ามีจริงในดงแถบเหนือของลุ่มน้ําสารวินแต่น้อยคนนักที่จะได้พบมันเพราะทั้งสองคนที่เล่าให้ผมฟังนั่นก็ไม่ได้เห็นกับตาตัวเองเก็บเอาคําบอกเล่าคนอื่นมาให้ฟังอีกทีหนึง่งแต่เมื่อห้าปีที่แล้วมานี่เองขณะที่ผมเป็นตํารวจชายแดนประจําการอยู่แถบแม่ห้องสอนได้มีโอกาสรู้จักกับนักสํารวจชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อแมตต์ทริวดูลี่เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อ15ปี แล้วระหว่างที่สำรวจลึกเข้าไปในป่าสูงของเขตว่าป่าเถื่อนพบเสือโคร่งตัวหนึ่งนอนตายอยู่จะเป็นเพราะถูกยิงมาด้วยหน้าไม้อาบยาพิษหรือโรคอย่างไรเขาก็ค้นไม่พบแน่เพราะทรากกำลังขึ้นอืดส่งกลิ่นตายมาประมาณ 3-4 มี่วันแล้วสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดสำหรับเขาก็คือเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นหนังเป็นสีดาสนิท เขาบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพซากเน่าแต่ยืนยันว่าจะต้องเป็นสีเดิมของมันเห็นเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสได้เห็นอีกเขายังเอารูปถ่ายให้ผมดูแต่ผมก็ลงความเห็นอย่างไรไม่ได้ถนัดเพราะภาพขาวดำธรรมดาไม่ใช่ภาพสีซึ่งจะช่วยให้วินิจฉัยง่ายขึ้น คณะนายจ้างฟังด้วยอาการอันสนใจยิ่งถ้างั้นก็เห็นจะไม่มีปัญหาเสือโคร่งดําจะต้องมีจริงแน่ขณะนี้เราก็อยู่ในดงลึกตอนเหนือของลุ่มน้ําสารบินแล้วไม่ใช่หรือระพินสันศรีสะตาจับอยู่ที่เชิดฐาพร้อมกับรอยยิ้มน้อยๆไม่ใช่แค่ตอนเหนือของสารบินหรอกเรากําลังล่วงเข้าแดนนรกดําแล้วด้วยซ้ําแต่เป็นคนละด้านที่เราตั้งเข็มไว้แต่เดิม แม้จะเตรียมกายเตรียมใจกันไว้สักพักพร้พรอมล่วงหน้าแล้วคำพูดแบบจู่โจมของระพินก็ทำให้ทุกคนตะลึงไปชั่วขณะไม่มีใครเอ่ยอะไรออกมาในขณะนั้นนอกจากความเปลี่ยนแปลงของสีหน้าไปในลักษณะต่างๆเหลียวไปมองดูดงทมึนที่แวดล้อมอยู่รอบตัวแล้วก็แลตากันเองอยู่ไปมาพับผาสินี่เราไม่รู้ตัวกันเลยถ้าคุณไม่บอกชายยันพูดเสียงแทบไม่ผ่านลาคอแต่เราก็ควรจะเฉลียวคิด ตั้งแต่เผชิญหน้ากับตะขาบยักษ์นั่นแล้วฉันเองมีความรู้สึกเช่นนั้นเพียงแต่ไม่ได้ถามรับพินขึ้นเท่านั้นตะขาบต้นพิกข้างคาวใหญ่กิ้งกาน้ำที่มีพิษสิ่งเหล่านี้มันบอกเราอยู่ชัดเจนเหลือเกินเชษดาพิพรรมพพพร้อมกับยิ้มอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงขณะนั้นจอมพานก็ลุกขึ้นยืนบอกมาเรียบเรียบว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะอวดพร้อมกับพูด เขาชี้มือไปที่ไม้ใหญ่ขนาดห้าคนโอบลำต้นตรงแนวสูงชะลูดแงนคอตั้งซึ่งยืนต่างานแผ่ ก, กิ่งใบราวกับพุ่มฉัดอยู่ริมแอ่งน้ำกว่าจะมีกิ่งก้านสาขาซึ่งแตกแยกออกไปอย่างเป็นระเบียบงดงามก็สูงจากระดับพื้นขึ้นไปราวตึกสักสีชั้นทั้งหมดมองตามร้องเป็นเสียงเดียวกันอะไรต้นสักครับแต่โลกเห็นจะต้องตะลึงเพราะว่ามันเป็นสักดิ์ พร้อมพูดเขาใช้มีดโบวีฟันถากเปลือกหนาบริเวณโคนต้นกระเด็นออกมาชิ้นหนึ่งแล้วพยักหน้าให้กลุ่มนายจ้างดูเนื้อไม้ใต้เปลือกที่กระเทาะออกผิวของมันแก่นมันดำสนิทราวกับไม้เมื่อเกลือ ตางพึมพำอยู่ในลําคอและพิจารณากันอยู่เป็นคู่ใหญ่แล้วก็ละความสนใจเสียนั่นเป็นแต่เพียงต้นไม้เท่านั้นมันจะมีคุณค่ามหาศาลเป็นที่แปลกประาดมหัศจรรย์สเพียงใดก็หาได้เรียกความตื่นเต้นพิศวงใดๆให้นักเพราะทุกคนไม่ใช่นักพฤกศสาสตร์ความสนใจพวงห่วงมันจะขึ้นอยู่กับภัยอันตรายที่จะมาถึงประการเดียวเท่านั้นและนั่นจะต้องเห็นจับร้ายซึ่งยังคาดคะเนกันไม่ถูกว่ามันจะเป็นอะไรและจู่โจมมาในรูปใด รับเพียงเองก็เช่นกันเขาเพียงแต่ชี้ให้เห็นเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ไปชื่นชมประหลาดใจอะไรกับมันอีกว่าแต่ไอ้โครงดํานั่นเถอะแน่ใจหรือว่ามันพ่าไปแล้วโดยไม่เฝ้าเราอยู่อีกดาวินเอ่ยถามขึ้นอย่างกังวลผมก็ยังไม่กล้ารับรองเหมือนกันเสียงปืนดังขึ้นมันก็ไหวตัวผ่าจากการคอยจ้องเล่นงานผมส่วนผมเองก็ยังไม่ได้คิดจะติดตามขับเคี่ยวอะไรกับมันเพียงแต่เตรียมพร้อมคอยป้องกันตัวเองเท่านั้นพอมันไปผมก็นั่งคอยพวกเราอยู่ที่นี่ เรื่องเสือโค่งดำที่ป้วนเปี้ยนเข้ามาใกล้ระพินคงไม่เป็นปัญหาใหญ่อะไรหรอกเพราะถึงอย่างไรเราก็เตรียมพร้อมระมัดระวังกันอยู่ทุกขณะแล้วมันชล่าใจเข้าทางปืนเมื่อไหร่ก็ยิงเมื่อนั้นว่าแต่คุณได้ร่องรอยอะไรหรือจึงได้แยกตัดจากด่านช้างลงมาในหุบนี่ภายหลังที่นิ่งอยู่นิดนึงผานใหญ่ก็บอกต่าๆในลาคอว่าผมเห็นหลังแง่ายไวๆไแยกตัดด่านสายใหญ่ลงมาทางนี้ฮา แปลว่าแง่ซายยังวนเวียนอยู่ในระยะกระชั้นชิดกับพวกเราตลอดเวลาน่ะสิเชิฐาและชัยยันอุทานออกมาพร้อมกันเป็นเจตนาโดยตรงที่จะล่อให้เราตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวครับถ้าเป็นสัตว์ที่หมายล่าป่านนี้ผมยิงคว่ําไปแล้วผมพยายามเร่งฝีเท้ากวดตามมันแต่แล้วก็ต้องพะวะาพะวังเพราะเสือใหญ่ตัวนั้นเข้ามายุ่งด้วยซะก่อนไอ้เสือนั่นมันสะกดตามผมเลยเสียเวลาคุมเชิงกันอยู่ไอ้แง่ซายมันจะล่อให้เสือขยิ้มนาย บุญคำโผงออกมาแต่แล้วก็ชนะงกักหน้าแย่เมื่อดารินหันมาตวาดเขียวคุณคุณว่าเลวไหลบุญคำหยุดพูดอะไรที่จะให้ร้ายลงโทษแง่ทรายซะเถอะปะเดี๋ยวหาว่าแง่ทรายจะกลายเป็นร่างตะขาบกัดชา ย, ยันไม่เย็นวานนี้มานี่ก็หาว่าเขาเป็นเสือโครงดําอีกแล้วไอ้ข้ามข่าวผีที่เล่นงานพวกเราเมื่อคืนก็แง่ทายอีกสิไม่ว่าอะไรที่มันจะร้ายกับเราทําไมถึงต้องคิดว่าเป็นแง่ทรายเป็นหมดทุกอย่างใช้หัวซะบ้างอย่าเอาแต่งม ง, งายนะ แต่เท่าหุ ป, ปากสนิทลงเลี่ยงหางออกไปชายยันก็เอ่ยขึ้นโดยเร็วว่าเอถ้างั้นแงซ า, ายก็น่าจะไม่ปลอดภัยซะแล้วเสือตัวนั้นมันอยู่ในระยะใกล้เคียงเหลือเกินเมื่อมันพลาดเป้าหมายจากคุณเพราะตกใจซะก่อนมันอาจจะไปหาแงซ า, ายแทนก็ได้และไอ้นั่นมันก็ไม่มีอะไรที่จะป้องกันตัวได้มือเปล่าๆทุกคนนอกจากกลุ่มพานพื้นเมืองเริ่มวิตกเพราะเห็นด้วยกับถ้อยคําของอดีตนายทหารปืนใหญ่ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจอมพานตอบอย่างระมัดระวัง แต่มาคิดอีกทีก็ไม่สู้จะ ก, กังวลนักสัมผัสและลางสังหารของผมในขณะนี้เชื่อว่าแง่ทายไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาไปเสแล้วมีคุณสมบัติอะไรไม่ผิดกับสัตว์ป่าซึ่งไม่มีอันตรายใดๆจากป่าแผ่วผ่านมันได้พวกเราต่างหครับที่จะต้องห่วงกันให้มากในที่สุดคุณก็คิดเหมือนบุญคำดารินตัดเพอผ่านใหญ่สันีสะ ผมไม่ได้คิดอย่างบุญคำไปหมดทุกอย่างแต่ยอมรับว่ามีส่วนใกล้เหมือนกันในบางข้อแงกทรายซอกแทกอยู่กลางดงมหายภายัยโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยแต่อันตรายนั้นๆมุ่งมาหาที่พวกเราฝ่ายเดียวเท่านั้นเรื่องห่วงนั่นก็ห่วงแน่แต่น้อยกว่าที่จะต้องห่วงตัวเองหรือพวกเราทั้ง11ชีวิตนี่ เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นและผ่านมาแล้วยังไม่เป็นข้อพิสูจน์เพียงพอหรือว่าแง่ทายนั้นเอาตัวรอดได้ส่วนพวกเราสี่กลับทำท่ากันจะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้อย่าเพิ่งคิดห่วงแง่ทายให้มากไปกว่าห่วงตัวเองเลยครับคุณหญิงหญิงสาวอึ้งไปและพินพูดถูกแล้วเชวยถาว่าพร้อมกับพยักหน้าลงนิดนึงถามต่อว่าระหว่างที่คุณรู้สึกถึงการย่องตามของไอ้เสือดำนั่นกับการที่เห็นแง่ทายแยกทางตัดลงมาในหุบนี้อย่างไหนก่อนอย่างไหนหลัง เกิดจะพร้อมกันทีเดียวครับคุณชาย พอพ้นมุมป่าบังระยะทางมองโล่งออกไปได้ประมาณ59ผมก็เห็นแง่ทรายเดินตัดลงมาทางนี้เป็นการเห็นหลังกันครั้งแรกสำหรับการติดตามวันนี้พอผมขยับจะวิ่งก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักเพาะทางป่าด้านหลังไม่ห่างออกไปนักมันเป็นเสียงถูกเหยียบหักจากสิ่งมีชีวิตอะไรชนิดหนึ่งแม้จะห่วงการติดตามแง่ทรายสักขนาดไหนก็ตามแต่เสียงผิดปกติชนิดนั้นทำให้ผมต้องหันกลับไปดูก็แลเห็นส่วนบ้านท้ายของมันรับหายเข้าไปตรงเนินปวกหลังพุ่มไม้ทึบ ห่างออกไป29เท่านั้นเองผมหยุดนิ่งหลบดูมันอยู่อึดใจใหญ่มันก็หลบซุ่มนิ่งอยู่หลังจอมปลวกเฉ ย, ยเช่นนั้นเหมือนกันในที่สุดก็เลยต้องตัดสินใจกวาดแง่ทรายตามไปขณะเดียวกันก็ต้องระวังหลังไปพร้อมกันผมเคลื่อนที่มันก็เคลื่อนตามลัดเลาะหลบมาตามแนวป่าทึบแล้วมากระชั้นชิดในระยะอันตรายที่สุดแถวนี้แหละเพราะสภาพป่ารกมากซึ่งเป็นโอกาสเหมาะของมันผมเลยต้องหยุดกวดตามแง่ทรายลงชั่วคราวหาทางเผชิญหน้ากับมันให้เสร็จเรื่องไปก่อน ก็พอดีที่ปืนทางโน้นลั่นขึ้นอย่างที่บอกแล้วดีแล้วที่คุณหยุดรอพวกเราก่อนตรงนี้จะได้รู้เรื่องกันชา ย, ยันพูดเครียดๆแต่ผมไม่เข้าใจเลยทำไมแงซายถึงบนเวียนเล่นเอาเถิดเจ้าล่ออยู่กับเราแบบนี้แทนที่จะดุ่มหายไปเลยกับพยายามที่จะให้เราเห็นหลังอยู่เป็นระยะจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามลักษณะนั้นก็คือการยั่วให้ตามอย่างที่ภัยวันว่ามาเรียบอกตาหลีลงพร้อมกับริ้นฝีปากที่บดเม้มสนิท เขากําลังนําทางเราเพื่อไปที่ใดที่หนึ่งและห่วงอยู่ว่าถ้าทิ้งระยะห่างเกินไปนกักเราอาจจะตามไม่ถูกจึงวนเวียนหลอกล่ออยู่เช่นนี้แต่ก็น่าแปลกที่ว่าพอเรากระชั้นชิดถึงตัวก็ให้เกิดมีอันเป็นอันตรายสวนออกมาทุกทีโชคดีที่ละพินกระชั้นชิดมาเพียงคนเดียวจึงรู้ตัวแก้ไขเตรียมรับหน้าทันแงาซายเอาอาหารที่ไหนกินเอาน้ําที่ไหนดื่มและเอากําลังมาจากไหนที่กลายเป็นพูดผีหลอกล่อเราอยู่เช่นนี้ทั้งทั้งที่อาศัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์ ไม่มีคำตอบข้อกังขาของเชิดาได้พวกเราไม่เห็นรอยของแง่สายที่เดินมาทางนี้เลยนอกจากรอยของคุณกับเสือใหญ่ตัวนั้นเท่านั้นมาเรีมีข้อกังขาอีกข้อหนึ่งมี่านใหญ่ตอบหนักๆในลําคอพวกคุณอาจสังเกตไม่เห็นเองพวกหมวดแต่ตื่นเต้นตกใจกับรอยเสือตัวนั้นเสียไม่เพียงเฉพาะรอยตามพื้นเท่านั้นแง่สายยังหัด ก, กินไม้เล็กๆไว้ให้ดูเป็นระยะแสดงว่าต้องการบอกทางอย่างชัดทีเดียวแล้วเขาก็ก้าวไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเชาิฐถา ยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงออกเดินทางเถิดครับเราจะตามมันต่อไปไปเชิดถาตกแขนเขาแล้วก็หันไปบ่งการพวกลูกหาให้เอาของ ข, องขึ้นไหลเตรียมแบกหามเคลื่อนที่โดยไม่ยอมให้เสียเวลาทราบแล้วใช่ไหมครับระยะจากนี้เป็นต้นไปวิกฤตการณ์ของพวกเราเกี่ยวกับเรื่องน้ําหัวหน้าคณะยิ้มแย้ๆน้อยสํารวจและรายงานผมแล้วพวกเราเหลือน้ํำรวมกันแล้วทั้งหมดประมาณ2ลิตรเท่านั้นและมันจะต้องหมดก่อนข้ามวันนี้แหละ ผมและคนของผมทั้งหมดจะอดน้ำได้ประมาณไม่ต่ำกว่า15้าชั่วโมงแม้ว่าจะเดินหนักส่วนมากผมใช้ถาพูดค้างกวาดสายตาไปยังพักพวกแล้วมาหยุดอยู่ที่น้องสาวเป็นคนสุดท้ายแววกังวลเริ่มเกิดขึ้นอย่างยากที่จะจัดเสียได้แต่ดารินยิ้มตอบมาเชิงบอกด้วยเสียงหนักแน่นเด็ดเดียวว่าถึงเวลาแล้วค่ะพี่ใหญ่ที่น้อยจะทดสอบตัวเองขอให้ทราบแบบเพียงว่าน้อยจะเดินจนกว่าหมดแรงล้มไปเองมันจะถึง15้าชั่วโมงอย่างที่พานใหญ่เขาว่าหรือไม่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน จอมพานหันไปทางน้องสาวคนสวยของนายจ้างแล้วหล่อนก็เห็นรอยยิ้มอ่อนโยนเป็นครั้งแรกจากใบหน้านั้นตลอดระยะเวลาอันเครียดหนักติดต่อกันมาสองวันเต็มพวกเราไม่มีใครใจดำอมมหิตขนาดนั้นหรอกครับคุณหญิงผมเพียงแต่บอกสมรรถนะของพวกผมเปรียบเทียบกับความทรหดอดทนของเจ้าคณะของเราทั้งหมด เพื่อจะกำหนดอัตราเฉลี่ยในเส้นทางวิกฤตเบื้องหน้านี้เท่านั้นพวกผมจะไม่แตะต้องน้ำอันมีอยู่จากัดนี่อีกสงวนไว้เป็นอัตราปันส่วนของเจ้านายโดยเฉพาะเท่านั้นจนกว่าจะหาน้ำใหม่มาเพิ่มเติมได้การเดินทางก็เหมือนกันเราไปกันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นคราวๆไปอยากจะแนะนำให้ว่าวิธีจะลดหย่อนการกระหายน้าก็คืออย่าพยายามสูบบุหรี่อ๋อไม่ต้องเตือน เหนื่อยจนต้องหายใจทางปากคอแห้งอย่างนี้ไม่มีใครคิดอยากสูบบรีหรอกว่าแต่หล่อนหันไปมองดูแอ่งน้ําดําที่ปิดจากร่องรอยของสัตว์ใ ด, ดลงกินนั้นแล้วพูดอ่อยๆฉันมียาสําหรับใส่น้ําฆ่าเชื้อมาด้วยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะใช้วิธีฆ่าเชื้อแล้วเอามันมาเป็นประโยชน์ในยามแรนแค้นเช่นนี้นละผิดโคงศรีรษะช้าๆยาฆ่าเชื้อของคุณหญิงเห็นจะช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับเราไม่ได้กลัวเชื้อโรคอันเป็นพวกพยาธิที่ปะปนอยู่ แต่เรากลัวพิษที่เกิดขึ้นจากพืชและแร่ธาตุซึ่งผสมอยู่เพราะยาฆ่าเชื้อของคุณหญิงแก้พิษชนิดนั้นไม่ได้แน่สัตว์มีความอดทนกว่าเราหลายสิบเท่าในเรื่องน้ำพวกมันยังไม่กล้าแตะต้องจำไว้อย่างเดียวเท่านั้นครับน้ำอะไรก็ตามที่สัตว์กินไม่ได้คนก็กินไม่ได้ตรงข้ามบางชนิดแม้สัตว์จะกินได้แต่คนก็ยังต้องคิด แต่ปรดอย่ากังวลเลยครับผมเชื่อว่าก่อน15ชั่วโมงเราจะต้องหาแหล่งน้ําที่ปลอดภัยได้บ้างชา ย, ยันก็เอียงหน้าเข้ามาพูดข้างหูดาวรินว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวหาน้ําที่ไหนไม่ได้ชา ย, ยันจะกรีดเลือดออกมาแทนน้าให้น้อยดื่มเองเพื่อนสาวคว้าคอหมับอีกมือหนึ่งเอื้อมไปกระชากมีดโบวี้ที่ติดอยู่กับซองข้างเอวของผานใหญ่ขึ้นมาโดยเร็วกดฉับเข้าไปให้กระเดือดชยชายันพล ะ, ะหน้าหนีร้องเสียงร้องตกใจดาวรินหัวเราะอึกอ เอาเสียเดี๋ยวนี้เลยเป็นไงอยากกินเลือดแทนน้ามานานแล้วตั้งแต่ไหนทุกคนเพิ่งจะหัวเราะ ก, กันขึ้นได้เป็นครั้งแรกของวันชายันเป็นเช่นนี้เองต่อให้เห็นความตายอยู่เบื้องหน้าเขาก็ยังทําให้คณะพักขื้นเครงได้แม้รพินภัยวันเองก็อารมณ์ปลอดโปร่งขึ้นเขานึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าทั้งคณะปราศจากนักปจ o ภัยหนุ่มผู้มีอารมณ์ขันขี้เล่นตลอดการคนนี้ซะแล้วบรรยากาศมันจะค้นหนักสักเพียงใด แล้วก็สังเกตเห็นตาเขียวเป็นประกายของมาเรียรอบชำเดืองอยู่ที่ชา ย, ยันอย่างนิยมพอใจเงียบ ในพงทึบลักษณะดงดิบดงดำนั้นกว่าที่คณะชนภัยจากเมืองหลวงจะรู้สึกตัวก็พบว่าได้บุกบ่นซอกซอนกันเข้าไปอยู่ใจกลางของมันใชแล้วนานๆจะเห็นลำแสงของตะวันจับอยู่บนยอดไม้สูงสักครั้งแล้วก็งมกันต่อไปในเงาคลื้มสลัวเต็มไปด้วยกลิ่นอับของใบไม้เน่าที่หล่นลงมาสะสมกันอยู่นานนับศตวรรษต้นไม้ต้นไม้และต้นไม้จนกระทั่งตาลายไปหมด